บุคคลที่มีศรัทธาแน่วแน่มั่นใจในพระรัตนตรัยโดยสมบูรณ์เสียงชักจูงภายนอกหรือแม้แต่ความผันผวนปรนแปรในชีวิตที่เรียกว่าโลกกะระมหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าโชคเคราะห์ทั้งหลายไม่อาจทำให้วันไหวครนแลองได้จิตใจของเขาเป็นเหมือนคนมีสุขภาพดีแข็งแรงช่วยตัวเองได้ตลอดเวลาไม่ต้องหวังพึ่งอานาจดนบรรดาลจากภายนอกเขาหวังผลจากกรรม คือการกระทำด้วยความเพียรพยายามตามเหตุปัจจัยทั้งมีปัญญาเจริญถึงขั้นรู้เข้าใจหลักการแก้ไขปัญหาดับทุกตามแนวทางแห่งสัจธรรมที่เรียกว่าอริยรสัจสี่ประการอย่างชัดเจนและดําเนินวิธีแก้ไขปัญหาดับทุกนั้นตามมรรคาที่เรียกว่าอาริยอัสตางคิกมักเดินหน้าแนวไปบุคคลเช่นนี้ท่านเรียกว่าเป็นผู้เข้าสู่กระแสแห่งทางดับทุก ไปสู่ความเป็นอิสระเสรีที่แท้จริงเริ่มเข้าสังกัดในสังคมแห่งอารยะชนเป็นคนมีการศึกษาเรียกว่าอารยะบุคคลขั้นที่หนึ่งมีชื่อเฉพาะว่าโสดาบันส่วนคนทั้งหลายนอกจากนั้นผู้อย่างว้ายวนหมุนเวียนอยู่ใต้กระแสะครอบงำของโลกธรรมหวั่นไหวไปตามโชคเคราะห์มีศรัทธาที่ยางงอนแงนไม่มั่นใจตนเอง บนฐานแห่งคุณพระรัตนไตรจิตใจเหมือนคนที่มักเจ็บไข้ออดแอดช่วยตัวเองไม่ค่อยได้ต้องคอยอาศัยผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาคนเช่นนี้ยางเก่งยามดีก็เข้มแข็งแต่พอถูกมรสุมชีวิตอย่างแรงก็ทรงตัวอยู่ไม่ไหวต้องเลือกระหว่างการทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสหรือหันไปหาการมาสุขที่แรงขึ้นมีสิ่งมึนเมาเสพติดเป็นต้นหรือยอมพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธ ขออำนาจดนบันดาลบ้างหวังผลจากมงคลบ้างจากโชคชะตาบ้างพอกลบเกลื่อนชดเชยปลุกปลอบกันไปด้วยไม่รู้ทางออกที่ถูกต้องยังไม่มองดูรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันตามสภาวะและตามเหตุปัจจัยทำใจให้ลอยพ้นกระแสะโลกไม่ได้เรื่องนี้ว่าตามแนวปฏิบัติของชาวพุทธ ย, ยอมรับความจริงว่าเมื่อยังไม่เป็นโสดาบันย่อมเป็นการยากนัก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 บีบรัดตนเองด้วยระบบหรือแบบแผนวิธีที่ถือมั่นเอาไว้โดยงมงายไม่ดำเนินตรงไปในมัชิมาปฏิปทาคนเหล่านี้มีชื่อเรียกว่าเป็นปุตุชนถ้าเป็นคนห่างไกลอารยะธรรมมืดบ่อเสีทีเดียวไม่รู้จักดีชั่วดำเนินชีวิตโดยศักว่าตันหาพาไปไม่ใช้ความคิดไม่ใช้ปัญญาพร้อมที่จะเบียดเบียนไม่ว่าใครๆเพื่อเห็นแก่ตนก็เรียกว่า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 สดับคำสอนแห่งอารยชนตั้งต้นที่จะเดินเข้ามาใกล้อริยมรรคาข้อปฏิบัติเพื่อกำจัดเหตุแห่งทุกหรือวิธีแก้ไขปัญหานี้เรียกชื่อว่ามรรคเพราะเป็นเหมือนหนทางที่นำไปสู่จุดหมายชื่อว่ามีองค์8เพราะเป็นทางสายเดียวแต่มีส่วนประกอบ8อย่างการเดินทางสู่จุดหมายจะสำเร็จได้ต้องอาศัยองประกอบทั้ง8อย่างนั้น ทำหน้าที่คอยเสริมกันและประสานสอดคล้องพอเหมาะพอดีความพอเหมาะพอดีและตรงสู่เป้าหมายนี้อาศัยปัญญาที่เห็นชอบหรือรู้เข้าใจถูกต้องช่วยส่องช่วยชี้นาให้มักนั้นจึงมีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์ประกอบข้อแรกในฐานะเป็นข้อปฏิบัติพอเหมาะพอดีที่จะให้แล่นตรงสู่เป้าหมายมักนี้จึงเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทา แปลว่าทางสายกลางซึ่งสังเกตง่ายๆด้วยลักษณะที่ไม่เอียงเข้าหาที่สุดทั้งสองคือไม่ใช่เห็นแก่จะสแสวงหาสิ่งเสพมาบำรุงบำเรอปนเปรตตนมัวเมาหมกมุ่นอยู่ในกามาสุขโดยไม่คำนึงถึงใครอื่นและไม่ใช่หันเหไปสุดทางตรงข้ามมุ่งหน้าทำการบีบรัดเข้มงวดเอากับตนเองหาทุกมาทับถมตัวเหมือนดังว่าเบื่อหน่ายเกลียดชังตัวตน การปฏิบัติตามมารกนั้นจะเริ่มต้นได้และจะดำเนินต่อไปด้วยดีต้องอาศัยปัจจัยสองอย่างเป็นเชื้อชนวนและเป็นเครื่องหล่อสนับสนุนเรียกว่าปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิสองประการอย่างแรกเป็นปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยทางสังคมได้แก่ปรโตโฆโศที่ดีคือเสียงหรือการชักนาแรงกระตุ้นเรา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 คือการทำในใจโดยแยกคายหรือความฉลาดคิดคิดเป็นคิดถูกวิธีรู้จักคิดรู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้ตรงตามสภาวะและตามเหตุปัจจัยของมันเมื่อมีปัจจัยสองอย่างนี้ช่วยปลุกเร้าและส่งเสริมสัมมาทิฏฐิก็มั่นใจได้มากว่าการปฏิบัติธรรมหรือการดำเนินชีวิตจะอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องกุศลธรรม ท, ทั้งหลาย ที่เป็นองค์มรรคข้ออื่นๆก็จะเจริญงอกงามไปกับปัญญาด้วยเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นพร้อมทั้งเดินหน้าไปสู่จุดหมายของพุทธศาสนาโดยในยะนี้ศรัทธาที่มั่นคงในพระรัตนตรัยความรู้ในอริยสัจและการปฏิบัติตามมัชฉิมาปฏิปทาคือมรคามีองค์8นี้จึงเป็นเครื่องป้องกัน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 การหันไปหวังพึ่งอำนาจเร้นลับภายนอกอ้อนวอนสิ่งโดนบันดาลหรือรอคอยโชคชะตาบ้างการประกอบทุจริตต่างๆบ้างการหันออกไปรุกรานระบายทุกข์แก่ผู้อื่นเที่ยวเบียดเบียนก่อความเดือดร้อนแก่คนทั้งหลายบ้างการเครียดแค้นชิงชังเบื่อตัวหันกลับเข้ามาบีบคั้นทรมานลงโทษตนเองบ้างมักซึ่งหนุนด้วยศรัทธาที่ถูกต้องนี้ทําให้ดํารงอยู่ในสุจริต ประพฤติการที่เกื้อกูลเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นทำให้เผชิญสถานการณ์ต่างๆด้วยความเข้มแข็งมั่นคงมีใจสงบดำเนินชีวิตแก้ไขปัญหาดับทุกข์ได้ด้วยความมีสติใช้ปัญญาและเพียรพยายามจัดการไปตามวิถีทางแห่งเหตุปัจจัยแม้อย่างอ่อนแอที่สุดเมื่อไม่อาจช่วยตนเองได้ลาพัง ก็รู้จักเลือกหากัลยาณมิตรที่จะช่วยปลุกเร้าใจให้กล้าหาญในกุศลธรรมและที่จะช่วยชีย้แนะให้เกิดปัญญามองเห็นเหตุปัจจัยเพื่อแก้ไขได้โดยถูกทางกิจหรือหน้าที่ต่อมักได้แก่ภาวนาคือการพัฒนาฝึกปรือทำให้เป็นให้มีปฏิบัติหรือลงมือทำแต่การเรียกมักว่าเป็นข้อปฏิบัติ หรือเป็นการปฏิบัติธรรมบางครั้งก็ทําให้เข้าใจความหมายของมัคแคบเกินไปซึ่งเรียกได้ว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งความจริงนั้นมัคมีความหมายครอบคลุมธรรมภาคปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนาครอบคลุมคําว่าจริยธรรมหรือเป็นประบบจริยธรรมทั้งหมดครอบคลุมการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามทั้งหมดดังชื่อที่ใช้เรียกมัคอย่างหนึ่งว่า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 จัดให้เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปโดยเน้นความประพฤติที่แสดงออกภายนอกมากกว่าเรื่องทางจิตใจชุดหนึ่งเรียกว่ากุศลกรรมบทสิทิจัดแสดงตามแนวการปฏิบัติชนิดที่มุ่งตรงเข้าสู่จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาโดยเน้นหลักธรรมระดับวิปัสสนาปัญญาชุดหนึ่งเรียกว่าวิสุทธิเอย่างนี้เป็นต้น